พร้อมนยายังพร้อมนยายังวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554หลวงตาของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราองค์หลวงตาท่านละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ เป็นเวลา23วันการจัดงานของพวกคณะศิษยานุศิษย์ที่หลวงพ่อในนามคณะสงฆ์องค์หนึ่งมองดูแล้วก็ทุกอย่างเข้ารูปพร้อมที่จะเดินหน้าได้เรื่องเรื่องเมนไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วก็ปลดข้างบน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้นํามาไว้ที่วัดป่าบันตาดแล้วแต่มีแต่จะทดลองใช้ดูไม่มีปัญหาเรื่องแต่เรื่องเมนสถานที่แต่ตัวเมนจริงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีแต่ประดับตกแต่งคิดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยในตัวเมนแต่ส่วนเรื่อง สถานที่ต่างๆตอนสำหรับต้อนรับพระสงฆ์เป็นหมื่นก็ได้เตรียมพร้อมทางฝ่ายสังฆาวาสคือฝ่ายสงฆ์ทางฝ่ายข้างในก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับคราวญาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงทานอันนี้เราก็ได้พร้อมเรื่องอาหารการบริโภคทุกอย่างพร้อมและก็เห็นพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็พวกกลุ่มเก็บขยะหลวงไปหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็ถึงใจซึ้งใจนี่แหละผู้ต้องการบุญกุศลผู้ที่เข้ามาบูชาพระคุณหลวงตาต้องทำได้ทุกอย่าง เ, าเก็บขยะใส่ถุง อ, ออกไปข้างนอกถึงคนจะมีมากแต่ขยะไม่มีอยู่ตามถนนหนทางอันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็ซึ้งในใจ เห็นลูกเห็นห <c oughs> ลานมาช่วยการช่วยงานองค์หลวงตาด้วยความรักเคารพนี่แหละถ้าเป็นลูกหลานที่ดีของหลวงตาแล้วทำได้ทุกอย่าง เ, เสียสละได้ทุกอย่างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาไม่ต้องคิดอย่างอื่นถ้าว่าคิดอย่างอื่นอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิ์ยานุสิทธิ์ของหลวงตาไม่ใช่ลูกหลานของหลวงตาถ้าหลวงเป็นลูกหลานของหลวงตาแล้วพวกเราทำนะเพื่อเสียสละคณะสัตยา ย, ยมลูกหลานทุกคน แล้วก็ให้รักเคารพในองค์หลวงตาหลวงพ่อเองเองอยากจะย้ําว่าที่เรารักเคารพองค์หลวงตานี่ไม่รับบางคนก็ว่าไม่ลืมหูลืมตาหลับหูหลับตาเคารพนับถือเลื่อมใสให้พวกเราทบทวนดูนะคณะสัตายาติโยามที่เป็นที่รักเคารพหลวงตาทุกคนนะนับตั้งแต่หลวงพ่ออินเป็นต้นไปน ะ, ะหลวงพ่อก็จะทบทวนว่าที่เราที่เรารักเคารพองค์หลวงตานี่ เรารักเคารพด้วยการหลับหูหลับตาอย่างนั้นใช่ไหมหรือเรารักเคารพองคหลวงตาด้วยความใช้สติปัญญาของพวกเราอันนี้อยากจะย้ําให้พวกเราทบทวนนะไม่ใช่ว่าการเลื่อมใสศรัทธาแบบงมงายไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นตามไม่จริงการนับถือเลื่อมใสองคหลวงตาต้องสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาเพราะหลวงตาสอนให้ใช้ปัญญาอย่างพวกเราคิดดูซิว่า ในการที่หลวงตาสั่งสอนเ ร, อเรื่องสินเรื่องจินกระทั่วไปลหลวงตาให้แข่งรัดในสินในกฎในระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนมาอยู่ในวัดป่าบ้านตาสมัยหลวงพ่อมาอยู่ยองไหนทาไม่ถูกไม่ถูงไม่ถึงกับสินส2งีจดอกเพียงสินอภิษมาจารย์เท่านั้นลหลวงตาก็ไล่นี้จากวัดแล้วท่านแข่งขัดขนาดนั้นเรื่องกฎระเบียบ อันนี้คือสิ่งเรื่องสมาธิพวกเราคิดดูสิมีองค์ไหนบ้างสอนปัญญาอบรมสมาธิเพียงเท่านี้แหละพวกเราก็กินขาดแล้วลุกลงตาสอนปัญญาอบรมสมาธิทําอย่างไรให้ใช้ความคิดกันกรองไตรตรองและทบทวนแล้วก็ตล่อมเข้ามาแล้วให้จิตหยุดนิ่งเนี่ยไม่มีในตาําราค้นดูได้นะ อันนี้ปัญญาอุปกรคสมาธิเพราะนั้นคําสอนขององค์หลวงตานี่ที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติมาทั้งทั้งเก่งทั้งปริยัติท่านได้เป็นมหารรเรียนสประโยคน์วงตาของเราจากนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติไปอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นเป็นเวลาหลายปีที่เป็นปรมาจารย์ในยุค ป, ปัจจุบันเป็นอาจารย์ของท่านตอนที่สุดเมื่ออายุพรรษาท่าน16ปี16บหกพรรษาองคหลวงตาแล้ว ท่านก็ประกาศได้เลยว่าจิตใจของเราไม่มีอะไรอีกแล้วจุดที่เราเอาชนะกิเลสได้นั้นเราพิจารณาด้วยมหาสติมหาปัญญาเ ต, ต็มความเต็มเหนียวของท่านท่านบอกอย่างนั้นเลยเลยบอกว่าจุดที่ไหนมีจุดมีตอมผู้รู้อยู่ที่ใดที่นั่นแหละคือตัวพบน่อันนี้คือท่านพูดอย่างชัดเจนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าผู้ใดก็ตามที่อยาก จะพูดถึงองค์หลวงตาแล้วขอให้พวกเราทบทวนอ่านหนังสื อ, เ, อ, อเพราะว่าเป็นลูก ป, ประธรรมอยู่แล้ว เ, เป็นลูก ป, ประธรรมอยู่แล้วในคำสอนของหลวงตาหลวงตาสอนให้พวกเราไม่ให้ติดอยู่ในโลกให้เบื่อหน่ายคลายมีแต่จะให้หลุดพ้นเท่านั้นบัด น, นี้มาถึงข่าวหลวงตาแล้วหลวงตาเป็นตัวอย่างให้เห็นท่านได้อะไรไปท่านเสียสละทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชน ทุกหมู่ทุกกล่าทองคำเข้าคังหลวงเท่าไรโรงพยาบาลเท่าไรโรงเรียนเท่าไรคนอนาถาเท่าไรขนาดในคุกในตารางท่านยังไปสร้างอาคารให้คุกในตารางไปเห็นที่ไหนไหนเห็นแต่หลวงตามหาบัวยนต์สัมปันโนอาคารสถานีรถไฟที่วการอาเภอโรงพยาบาลหลวงตาเสียสละให้ทั้งหมด ในตัวของท่านไม่มีอะไรครั้งจุดท้ายท่านยังมีพินัยกรรมอีกว่าทุกบาททุกสตางค์มาในงานศพของเราเอาเข้าค่างหลวงทั้งหมดสําหรับศีระของเราให้เอาฟืนเผาเท่านั้นอย่าเอาอย่าใช้เงินเนี่อันนี้ท่านสั่งถึงขนาดนั้นแต่บัดนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านก็จะทิ้งกระทั่งศีระของท่านร่างกายของท่านกระดูกของท่านท่านก็ไม่เอาไปด้วยท่านเอาแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเท่านั้นที่ไปด้วย ปอนั้นผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าคิดแต่ก่อนหน้านี้นะคิดปลาหมาดหลวงตานะ่ยขอให้ตั้งจิตอธิษฐานยกดอกไม้บูชาในใจนะเอาปนมมือขึ้นในใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพัง้งองค์หลวงตามหาบัวด้วยกายก็ดีด้วยวาจากดีด้วยใจก็ดีขอองค์หลวงตาเมตตาโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังต่อไป อันนั้นจะเป็นหนทางที่แก้บาปในจิตใจของพวกท่านทั้งหลายแต่ทั้งว่าพวกท่านทั้งหลายยังไม่สำนึกนะจะตกนรกหมกไหม้ติดใจของพวกท่านไปนานเท่านานทีเดียวพระเทวทัตที่ประมาทพระพุทธเจ้าที่แข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธเจ้าแต่ครั้งสุดท้ายแผ่นดินสูถ่ถึงคอถึงถึงคอพระเทวทัต ย, ยังเอาขากันไกลข้าพเจ้าเห็นโทษที่ข้าพเจ้าทาไปนั้นผิด เอ่ข้าพเจ้าเห็นโทษเอ่ขอข้าพเจ้าขอบูชาด้วยขากันไกลขาคางคางคือขากันไกลบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทินถ้าว่าข้าพเจ้าได้ทําสิ่งใดไปขอพระองค์จงอโหสิให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถินพระเทวทัตเอ่ก่อนที่ท่านแผ่นดินจะสุกท่านยังเคารพคารวะพระพุทธเจ้าจากนั้นแผ่นดินสุกจากนั้นตกลงไปในอเวจีมหานรก พระพุทธเจ้ายังพยากรณว่าเทวทัตนะถ้าหากว่าไม่ล้ำลึกถึงความผิดของตนเองเทวทัตจะไม่มีวันเกิดมาอีกเอจะไปที่ไหนนานไม่มีใครทํานายได้แต่บัดนี้เทวทัตเห็นโทษว่าตัวเองได้ทําผิดขอคาวะเป็นครั้งสุดท้ายพระเทวทัตจะได้เป็นพระปฏิเจกองค์หนึ่งในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเนี่พระเทวทัตยังดีกว่าพวกเรานะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ว่าจะได้เป็นพระปัจเจ้าพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะแต่พวกเรานี่ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าองค์ไหนพยากรเอาวไวนาน้นะก็เลยขอให้พวกเราทุกท่านนะที่ได้ยินคําพูดของหลวงพ่อออกไปนําคิดนํานําไปพิจารณาที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสองค์หลวงตาลเราเคารพนับถือด้วยความงมงายงมงายลุ่มหล ง, งงมงายใช่ไหมหรือเราเคารพนับถือด้วยความ ด้วยสติปัญญาของเราที่มีและเราได้ศึกษาไตรตรองตามธรรมคำสอนและเราได้เห็นแนวทางปฏิบัติของหองหลวงตาเป็นผู้เสียสละจริงอย่างนั้นใช่ไหมขอให้พวกเราทุกท่านนะหลวพอเตือนย้ำแก่พวกเราให้เป็นที่ให้ฟังได้ศึกษาตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พอ